พระเจ้ามิรินเสด็จไปถามปัญหาพระอายุบาลในข่าวนั้นยังมีพระมหาเทระอง์หนึ่งมีชื่อว่าพระอายุบาลท่านเป็นผู้ชำนาญในนิกายทั้งห้าวงเล็บเปิดทีฆะนิกายมัชิมะนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายขุททะกนิกายวงเล็บปิด ได้อาศัยอยู่ที่อสงไขยบริเวณฝ่ายพระเจ้ามิรินทรงดำริว่าราตีนี้ดีมากเราควรจะไปหาสมณะพามเจ้าหมู่เจ้าคณะขนาดจา์ใดดีหนอใครหนอจะสามารถสนทนากับเราได้ใครหนอจะสามารถตัดความสงสัยของเราได้ ทรงดำริแล้วก็โปรดมีพระราชองค์การตัดถามพวกราชบริพารโยนกทั้งห้า้อยก็กลับทูลว่ามีพระเถระอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระอายุบาลท่านเป็นผู้ทรงพระไตปิดกได้ศึกษาเล่าเรียนมากมีการแสดงธรรมวิจิตมีปฏิภาณดี ชำนาญในนิกายทั้งห้าอยู่ที่อสงไขยบริเวณขอมหาราเจ้าจงเสด็จไปถามปัญหาต่อพระอายุบาลเถิดพระเจ้าค่าถ้าอย่างนั้นขอจงไปแจ้งให้พระผู้เป็นเจ้าทราบก่อนลำดับนั้นเนมิติตียอมมาจึงใช้ให้คนไปแจ้งแก่พระอายุบาลว่า พระเจ้ามิลินจะเสด็จมาหาพระอายุบาลตอบว่าเชิญเสด็จมาเถิดต่อจากนั้นพระเจ้ามิลินพร้อมกับหมู่โยนกเสนาห0 0ก็เสด็จขึ้นรถไปที่อสงไขยบริเวณเมื่อไปถึงจึงตัดสั่งให้หยุดรถทรงไว้เสด็จไปด้วยพระบาทเปล่าเข้าสู่สำนักพระอายุบาล นมรด ก, การแล้วกระทำปฏิสันฐานโอภาปใสกันไปมาจึงมีพระราชดำรัสตัดถามว่าข้าแต่พระอายุบาลบรรพชามีประโยชน์อย่างไรอะไรเป็นประโยชน์เยี่ยมของท่านพระอายุบาลตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิษพระราชสมภารการบรรพชามีประโยชน์เพื่อจะได้ประพฤติทธรรม ประพฤติความสงบอันจะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่เท พ, พยดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าครหัสผู้ประพฤติทำประพฤติความสงบจะมีคุณวิเศษบ้างหรือไม่จำนวนครืหัสผู้ได้มรรคผลขอถวายพระพรครหัสที่ประกอบไปด้วยความเรื่มใสในคุณพระรัตนไตร ทรงศีลห้าหรือศีลแปดไว้มั่นคงให้ทานและภาวนาอุตสาห์ฟังธรรมก็จัดว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์เป็นผลแก่ตนเองดังตัวอย่างเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระทศพลยังทรงพระชนอยู่พระองค์ได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสีโปรดประทานธรรมเทศนาพระธรรมจักกับประวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีในป่าอิสิ ป, ปตนมิขทายวัน พันจบแล้วพรมทั้งสิบแปดโกฎได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาภรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นครหัดทั้งนั้นจะได้อุปสมบทบรรพชาหาไม่ได้ในข่าวที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเวสันดรชาดกคทิรังคชาดกราหุโลวาทสูตรและ ทรงแสดงธรรมที่ประตูเมืองสังกัดสะนครมีผู้สำเร็จมรรคผลประมาณ20สบโกรธคนทั้งหลายนั้นกับเทพพยายดาและภรมทุกชั้นล้วนแต่เป็นขคระหัตทั้งนั้นไม่ใช่วันประชิตเลยกรรมของพระที่ถือทุดงเมื่อพระอายุบาลแก้ไขดังนี้พระเจ้ามิลินจึงตัดว่าข้าแต่ท่านอายุบาล ถ้าอย่างนั้นบรรพชาก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกสัมมณะทั้งหลายที่เป็นสักยะบุตรพุทธชิโนโรสที่ได้บรรพชารักษาทุดงต่างๆทำให้ลำบากกายใจนั้นล้วนเป็นด้วยผลแห่งบาปกรรมในปางก่อนทั้งนั้นนี่แน่ท่านอายุบาลพวกพระที่ถือเอกาฉันจังหันหนเดียว แต่ชาติก่อนเป็นโจรเที่ยวปุน่นชาวบ้านไปแย่งจิงอาหารเขาคันชาตินี้เล่าผลกรรมนั้นดนจิตให้ฉันหนเดียวดูวันภาชนี้ไม่มีผลถึงจะรักษาศีลรักษาตบะรักษาพรหมจรรย์ก็ไม่มีผลอันใดประการหนึ่งเล่าพวกที่ถือทุ ด, ดงอโภกาศคืออยู่ในกลางแจ้งนั้น เมื่อชาติก่อนต้องได้เป็นพวกป้นบ้านเผาเรือนมาชาตินี้จึงไม่มีที่กินที่อยู่ส่วนพวกถือเนศทิกทุดงคือถือไม่นอนเป็นกิจวัตรได้แต่เดินยืนนั่งเท่านั้นพวกนั้นต้องเป็นโจรป้นคนเดินทางไว้เมื่อชาติก่อนจับคนเดินทางได้แล้วก็ผูกมัดให้นั่งจับเจ้าอยู่เท่านั้น โยมคิดดูซึ่งทุดงนี้ไม่มีผลจะเป็นศีลจะเป็นตบะจะเป็นพรหมจรรันทร์ก็หาไม่ได้ก็จะบรรพชารักษาทุดงไปเพื่ออะไรประพฤติในเพศครือขัสก็ได้มักผลเหมือนกันเป็นครึอขัสอยู่ไม่ดีกว่าหรือพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเจ้ามิลินตัดอย่างนี้ พระอายุบาลก็ขี้ค้านที่จะตอบจึงนั่งลิ่งไปไมิได้ถวายพระพรโตอตอบต่อข้อปัญหานั้นพวกโยนกห้า้อจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระภิกษุองค์นี้เป็นนักปราชญ์ได้สดับเราเรียนมากแต่ไม่แก้วกล้าที่จะวิสัชนาจึงไม่ได้โต้อตอบต่อคำถามของพระ อ, องค์ พระเจ้ามิลินได้ฟังคำข้าราชบริพาลทูลเฉลยก็หาสนใจไม่ทอดพระเนตรดูแต่พระอายุบาลเห็นพระอายุบาล น, นิ่งอยู่ก็ทรงพระสวนพร้อมกับตบพระหัตตัดเย้ยว่าชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้วไม่มีสมณะพามเจ้าหมู่เจ้าคณนะอาจารย์ใดๆอาจสนทนากับเราได้อาจแก้ความสงสัยของเราได้เลย เห็นที่จะสิ้นสุดครั้งนี้แล้วหนอฝ่ายหมู่โยนกได้ฟังก็มิได้ตอบคำสนองพระราชองค์การส่วนพระอายุบาลได้เห็นอาการของพระเจ้ามิลินอย่างนั้นจึงคิดว่าเราเป็นสั ม, มณะไม่สมควรทะเลาะโตเถียงกับใครที่จริงปัญหานี้จะวิสัชนาให้ฟังอีกก็ได้แต่เป็นเพราะพระราชาถามปัญหาที่ไม่ควรถาม คิดอย่างนี้แล้วจึงเก็บอาสนะลุกไปเสียหลังจากพระเจ้ามิลินเสด็จเข้าสู่พระนครแล้วจึงทรงดำริว่าจะต้องมีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งอาจสนทนากับเราได้อย่างไม่สงสัยจึงตัดถามนิมิติยะอามาตย์ขึ้นอีกว่านี่แนะเนมิติยะภิกษุผู้จะโตอตอบกับเราได้ยังมีอยู่อีกหรือไม่ กิตติศัพท์ของพระนาคเสณในข่าวนั้นพระนาคเสณผู้ห้อมร้อมด้วยหมู่สัมมณะผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะคณะอาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏมียศบริวารชำนาญในพระไตปิโดกสำเร็จไตเพศมีความรู้แตกฉานมีอาคมพร้อมสำเร็จปฏิสัมพิทา ย, ยาน ทรงไว้ซึ่งพระปริยติธรรมในาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาอันประกอบด้วยองค์เก้าถึงแล้วซึ่งบริมีญาณเป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งปวงเหมือนกับพยาเขาศิเนรุราชองค์อาจดังราชสีมีใจสงบระงับเป็นอันดีมีปีชายานลำเลิศ ยำยีเสียซึ่งถ้อยคำอันเป็นปฏิปักษ์แก่พระพุทธศาสนาได้อย่างเด็ดขาดเป็นผู้ฉลาดในอุบายแนะนำชานาญในอัดทรรมทั้งปวงไม่มีผู้ต่อสู้ไม่มีผู้กั้นกลางได้ไม่มีผู้ร่วงเกินได้ละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นค่าศึกทั้งปวงกระทําซึ่งแสงสว่างให้เกิดกาจัดเสียซึ่งความมืด เป็นผู้มีถ้อยคําประเสริฐแตกฉานในอัตธรรมนิรุตปฏิพานร่วงรุถึงซึ่งบริมีญาณมีปิชาญาณเปรียบดังลูกขึ้นในท้องมหาสมุทรเป็นผู้สูงสุดกว่าหมู่คณะทั้งหลายร่วงรู้ลัทธิของหมู่คณะที่ไม่ดีทั้งหลายย่ำยีเสียซึ่งลัทธิเดร ถ, ถีทั้งปวง เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมแก้วกล้าสามารถมากไปด้วยความสุข ก, กายสบายใจเป็นผู้ทำสงฆ์ให้งดงามเป็นพระอรหันต์ผู้ร่ำเลิศเป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัททั้งสเป็นผู้ที่จะแสดงบาลีอัตถกาถาอันทาให้เกิดความเลื่อมใสแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้มีความรู้ ผู้ประกาศคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรเจ้าอันประกอบด้วยองค์เก้าผู้จะเชิดชูซึ่งแก้วอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏเป็นผู้จะยกขึ้นซึ่งเครื่องบูชาพระธรรมผู้จะตั้งขึ้นซึ่งยอดพระธรรมผู้จะยกขึ้นซึ่งธงชัยคือพระธรรมผู้จะเป่าสังคือพระธรรมผู้จะตีกองคือพระธรรมให้นรุนาธ ผู้จะดีดกระจับปีสีซอโชนรามนาโดนตีอันได้แก่อริยสัจ ส, สี่เป็นผู้ที่จะบรรลือเสียงดังพญาช้างพญาอุสุภราชพญาราชสีผู้จะทำให้โรคเ อ, อิบอิ่มด้วยหาฝนอันใหญ่คือพระธรรมให้พิลึกกึกก้องเรืองรองดังสายฟ้าด้วยยานปีชา พระนาคเกษไปถึงอสงไขยบริเวณเมื่อพระนาคเกษได้กราบราพอหาหันหนึ่งรโกฎแล้วก็ได้จาริกไปตามคามนิคมชนบทเทศโปดประชาชนทั้งหลายโดยลำดับก็บรรลุถึงซึ่งสาคนนครอันเป็นที่ประทับของพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นแห่งโยนก พระผู้เป็นเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในอสงไขยบริเวณอันเป็นที่อยู่แห่งพระอายุบาลในการนั้นเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าพระนาคเษนเถระผู้เป็นหูสูตรมีการแสดงธรรมประเสริฐมีสติปัญญาสุ ข, ขุมคำภีภาพแก้วกล้าสามารถในที่ประชุมชนฉลาดในเหตุผลทั้งปวง มีปฏิพาน์ว่องไวหาผู้เปียบไม่ได้ทรงไว้ซึ่งพระไตปิฎกอันประเสริฐมีหมู่พระพิสุสงล้วนแต่ทรงพระไตรปิฎกห้อมล้อมเป็นบริวารได้ไปถึงอสงไขยบริเวณแล้วพักอยู่ในที่นั้นฮนาเกษตเทระนั้นห้อมล้อมด้วยพระพิสุสง์ผู้ทรงคุณธรรมเที่ยงตรงดังตาช่างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด เหมือนกับพยาไกสอนราชสีในป่าใหญ่ฉะนั้นพระนาคเสนนั้นเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งมีความฉลาดรอบครอบในสิ่งที่ควรและไม่ควรทั้งปวงเป็นผู้ประกาศซึ่งอัดทำอันล้ำเลิศมีคุณธรรมปรากฏไปในชมพูทวีปทั้งสิ้นเป็นพระหูสูตรทรงพระไตปิดกไม่มีผู้เสมอเหมือนดังนี้ พระเจ้ามิรินได้ยินชื่อทรงตกพระไทยกลัวในข่าวนั้นเทวมันติยาอมาตถ์ก็ได้ฟังข่าวเล่าลือซึ่งเกียรติคุณของพระนาคเสนดังแสดงมาจึงกราบทูลพระเจ้ามิรินว่าขอได้โปรดก่อนเถิดมหาราชเจ้าบัดนี้มีข่าวเล่าลือว่ามีพระพิษุองค์หนึ่งชื่อว่านาคเสณเป็นผู้แสดงธรรมอันวิเศษ มีสติปัญญาเฉียบแหลมแก้วกล้าสามารถในที่ทั้งปวงเป็นผู้สดับเล่าเรียนมากมีถ้อยคาไพเราะเสนะโสดมีปฏิพานดีแตกช้นในอัดรมนิรุตปฏิพานถึงซึ่งบรารมีญาณไม่มีเทพ ย, ายดาอินพรมผู้ใดผู้หนึ่งจะสู้ได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์พระเจ้าค่า เมื่อพระเจ้ามิรินได้ทรงสดับคำว่าพระนาคเกษเท่านี้ก็ตกพระไทยกลัวมีพระโรมาลุกชันขึ้นทันทีพระบาทเท้าเธอจึงตัดถามเทวมัณติยาอมาตว่าเวลานี้พระนาคเกษอยู่ที่ไหนเราไขห็นขอให้พระนาคเกษทราบเทวมนติยาอมาต จึงใช้ให้ทูตไปแจ้งแก่พระนาเคเสณว่าพระเจ้ามิลินมีพระราชประสงค์จะพบเห็นเมื่อทูตไปแจ้งแก่พระเทระแล้วพระเทระจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นขอจงเสด็จมาเถิดพระเจ้ามิลินเสด็จไปหาพระนาเคเสณลำดับนั้นพระเจ้ามิลินก็ห้อมล้อมด้วยข้าราชบริพารชาวโยนก5้าร้อย สเสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งพังพร้อมด้วยผลนิกายเป็นอันมากสเสด็จไปหาพระนาคเกษณ์ที่อสงไขบริเวณข่าวนั้นพระนาคเกษณ์กับพระภิกษุแปดหมื่นองค์ได้นั่งพักอยู่ที่โรงกลมกว้างใหญ่พอพระเจ้ามิดินได้ทอดพระเนตรเห็นแต่ไขจึงตัดถามขึ้นว่าบริวารเป็นอันมากนั้นของไขเทวมันติยะทูลตอบว่า บริวารเป็นอันมากนั้นเป็นบริวารของพระนาคเษนพระเจ้าข่าพอพระเจ้ามิลินได้แรเห็นพระนาคเษนแต่ที่ไกลเท่านั้นก็เกิดความสะดุ้งกลัววาดวันในพระไทยมีพระลมชาติชูชันวงเล็บเปิดคนลุกวงเล็บปิดเสียแล้วข่าวนั้น พเจ้าวิรินส่งสะดุ้งตกพระไทยยิ่งนักหนาอุปมาดังพญาช้างถูกห้อมล้อมด้วยดาบและขอและเหมือนกับนาคถูกคุดห้อมล้อมไว้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่ถูกงูเหลือมล้อมไว้เหมือนกับหมีถูกฝูงกระบือป่าห้อมล้อมเหมือนกับคนถูกพญานาคไล่ติดตามเหมือนกับหมูเนื้อถูกเสือเหลืองไล่ติดตามเหมือนกับงูมาพบหมองู เหมือนกับหนูมาพบแมวเหมือนกับปีศาจมาพบหมอผีเหมือนกับพระจันทร์เทพระบุ ต, ตกอยู่ในปากลาหูเหมือนกับนกอยู่ในกรงเหมือนกับปลาอยู่ในรอบในใสเหมือนกับบุุษที่ตกเข้าไปในป่าสัตว์ร้ายเหมือนกับยักษ์ทาผิดต่อเท้าเวสุวรรณเหมือนกับเทพประบุผู้จะสิ้นอายุรู้ว่าตัวจะจุติสุดที่จะกลัวตัวสั่นชั้นใด พระเจ้าวิรินทอดพระเนตรเห็นพระนาคเกษแตกไก่ให้รู้สึกหวาดกลัวอยู่ในพระไทยฉันนั้นแต่พระบาทเท้าเธอทรงนึกว่าอย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งดูถูกเราได้เลยจึงได้ทรงแข็งพระไทยตัดขึ้นว่านี่แน่เทวมันตยะเธออย่าได้บอกพระนาคเกษให้แก่เราเลยว่าเป็นองค์ใดเราจะให้รู้จักพระนาคเกษเอง เทวมันตียะอมาตจึงกราบทูลว่าขอให้โปรดทรงทราบเองเถิดพระเจ้าค่าในขราวนั้นพระนาคเษนเทระได้นั่งอยู่ในถามกลางของพระภิกษุ8 0ดหมื่นองค์คือนั่งอยู่ข้างหน้าของพระภิกษุสี่หมื่นองค์ที่มีพรรษาอ่อนกว่าแต่นั่งอยู่ข้างหลังของพระภิกษุผู้แก่กว่าอีกสี่หม่นองค์ฝ่ายพระเจ้ามิลินก็ทอดพระเนตรดูไปทั้งข้างหน้า ข้างหลังท่ามกลางของภิกษุสงฆ์ทั้งปวงก็ได้เห็นพระนาคเสณนั่งอยู่ในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์มีกิริยาองค์อาจดังราชสีจึงทรงทราบว่าองค์นั้นแหละเป็นพระนาคเสณจึงตัดถามขึ้นว่าเทวมันติยะองค์นั่งในท่ามกลางนั้นหรือเป็นพระนาคเสณเทวมันติยะกลาบทูลว่า ถูกแล้วพระเจ้าข่าพระองค์ทรงทราบพระนาคเสนได้ดีแล้วพระเจ้ามิลินก็ทรงดีพระไยว่าเรารู้จักพระนาคเสนด้วยตนเองแต่พอพระบาทเท้าเธอแหเห็นพระนาคเสนเท่านั้นก็เกิดความกลัวความหวาดหวั่นมีรมชาติชูชันเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า พระเจ้ามิลินได้ทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสนผู้สมบูรณ์ด้วยจริยธรรมผู้ได้ฝึกฝนอบรมมาเป็นอันดีแล้วจึงตัดขึ้นว่าเราได้พบเห็นสมณาพามและบัณฑิตมาเป็นอันมากได้สนทนากับคนทั้งหลายมาเป็นอันมากแล้วไม่เคยมีความสะดุ้งกลัวเหมือนในวันนี้เลยวันนี้ความป่าชัยพ่ายแพ้จะต้องมีแก่เราเป็นแน่ไม่สงสัย ชัยชนะจากมีแก่พระนาคเสนแน่เรนพราะจิตใจของเราไม่ตั้งอยู่เป็นปกติเหมือนแต่ก่อนเลยดังนี้จบเรื่องเบื้องต้น